เป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งเพราะว่าพระบรมธาตุสดาได้ทรงตัดไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการตามเวลาก็คืออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นในวันพระ ถ้าสมัยดีไม่สะดวกที่จะฟังหรือเข้าวัดในวันพระเพราะต้องไปทำงานทำการก็ให้ถือวันหยุดทำงานเป็นวันพระเป็นวันฟังธรรมแทนเพราะการฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็นอย่างมากสงแสดง มีอันที่สอ์อยู่ถึง5ประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำขึ้นบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 3. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิ สจะกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆไปได้ทําทให้จิตใจผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมแต่การฟังเทศฟังธรรมที่จะทําให้เกิดมีอนิสงส์ขึ้นมานั้นจําเป็นต้องมีสีนิสมาธิ เป็นเครื่องรองรับศีลก็คือความสงบกายสงบวาจาเช่นขณะที่ฟังเทพอยู่นี้ไม่ทำอะไรทางร่างกายร่างกายจะนั่งอยู่เฉยๆใจาวาจาก็จะไม่พูดคุยกันใจก็ต้องตั้งมั่นอยู่กับการฟังเรียกว่ามีสมาธิใจจดจอ่อ อยู่กับเสียงธรรมไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าทำกายวาจาใจให้สงบให้ตั้งมั่นได้ <c oughs> ก็จะสามารถรับเสียงแห่งธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูและเข้าไปที่ใจได้ถ้าไม่ได้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ เช่นร่างกายยังทำอะไรอยู่ทาเรื่องนั้นทาเรื่องนี้อยู่วาจาคุยกันไปคุยกันมาใจก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เวลาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็จะไม่ได้ความเข้า อ, อกเข้าใจจะไม่ได้รู้ว่าตนกาลังฟังอะไรอยู่เพราะจะได้ยินแต่เสียงที่เข้าหูซ้าย แล้วก็ออกไปทางหูขวาไม่ได้เข้ามาในจิตใจเนื่องจากจิตใจกําลังมีภารกิจอย่างอื่นเรียกว่าฟังแบบทับที่ในหม้อกแกงคือทับที่นี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในหม้อกแกงนานเพียงไรก็ตามจะไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงจิดแกงเผ็ด แกงอะไรต่างๆจะไม่มีความที่จะรู้ได้เพราะว่าทัพพีมีไม่มีส่วนที่จะสัมผัสรับรู้รสแกงได้นั่นเองถ้าจะฟังให้ถ้าจะรู้รสของแกงก็ต้องรู้แบบลิ้นกับแกงถ้ามีลิ้นไปสัมผัสกับแกงก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนแกงเผ็ดแกงจืด แกงหวานแกงเปรี้ยวจะรู้ทันทีถ้าเป็นลิ้นกับแกงดังนั้นเวลาเราฟังธรรมขอให้เราฟังแบบลิ้นกับแกงอย่าฟังแบบทับทีในหม้อแกงถ้าฟังแบบทับทีในหม้อแกงเราจะไม่ได้รับประโยชน์อ น, นิสงฆ์ทั้งห้าประการนี้เลยแต่ถ้าเราฟังแบบลิ้นกับแกง เราจะได้รับอนิสงฆ์ทั้งห้าประการนี้และจะสามารถทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยเพราะเคยมีปรากฏขึ้นมาในสมัยพระพุทธการผู้ที่ฟังเทศ์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าล้วนเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิอยู่แล้วคือเป็นนักบวชกันเพียงแต่ว่าบวชอยู่ต่างสำนัก ต่างรัฐทีที่ยังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นพอพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแสดงความจริงผู้ฟังที่ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ก, ก็สามารถที่จะเกิดความเข้าใจเกิดสัมมาทิฐิเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้เลย นี่เป็นอนิสงส์เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเรามีบา ร, รมีมีอินทรีย์แก่กล้ามีศีลที่แก่กล้ามีสมาธิที่แก่กล้าพอเราฟังทมเราก็จะเข้าใจทันทีเราก็จะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาความมืดบอดความหลง ที่ครอบงำจิตใจที่ฉุดลากให้ใจของเราต้องไปแบกกับกองทุกข์ต่างๆได้อย่างง่ายดายเพราะเหมือนกับมีผู้นาทางนั่นเองผู้เรานี้ยังเป็นเหมือนพวกตาบอดอยู่จะไปไหนมาไหนตามลาพังนี้จะยากจะไม่สามารถรู้ทิศทางได้ว่าทิศเหนือทิศใต้ยอยู่ทางไหน แต่ถ้าเรามีคนตาดีเป็นคนนำทางเขาก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายพวกเราก็เช่นกันเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับเอาความรู้ความฉลาดของคนตาดีมาสอนใจของเราที่ยังมืดบอดอยู่พอเราได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันอยู่นั่นคืออะไรก็เรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายของพวกเรานี่พวกเราไม่รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเหมือนหมอกับคนไข้ ใจนี้เป็นเหมือนหมอร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ใจนี้เป็นพี่ร่างกายนี้เป็นน้องเป็นคนละคนกันใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันแตกไม่มีวันดับส่วนร่างกายนี้เป็นของไม่ถาวรมีวันที่จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปใจ ที่ไม่ได้สัมผัสรับรู้กับธรรมะคำสอนของพบพุทธเจ้าก็จะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นร่างกายเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เกิดความทุกข์เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาเพราะหลงไปคิดว่าตนเองกำลังจะเป็นอะไรไปกับร่างกายนั่นเอง แต่ความจริงแล้วใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยเพราะเป็นคนละคนกันนั่นเองเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนหนึ่งไม่ได้ไปเกิดกับอีกคนหนึ่งแต่คนอีกคนหนึ่งไม่รู้ไปหลงคิดว่าตอนเป็นคนนั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้ก็เลยเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าได้รับการบอกเล่าให้รู้ว่าตนไม่ได้เป็นคนนั้นคนนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้เกิดอะไรกับคนดี<ม>คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่มีผลอะไรกับใจเลยใจก็ยังเป็นเหมือนใจอยู่เหมือนเดิมใจคืออะไรใจคือผู้รู้สึกนึกคิดนี่เอง ส่วนร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งของใจอีกทีหนึง่งเวลาใจสั่งให้ร่างกายเดินให้ยื น, ใ ห, ยนให้นั่งให้นอนให้รับประทานให้อาบน้ำให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้ทำภารกิจต่างๆผู้สั่งคือใจผู้รับคำสั่งคือร่างกายร่างกายเขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในตัวของเขา เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเขาไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายแต่ใจนี้เป็นผู้เดือดร้อนแทนร่างกายเพราะความหลงความมืดบอดนั่นเองไม่รู้ความจริงเหมือนกับคนที่เมาแล้วก็เห็นคน เห็นสิ่งหนึ่งเป็นอีกส yeah> ิ่งหนึ่งเช่นเห็นสุนัขเป็นแมวเห็นแมวเป็นสุนัขฉันใดคนที่ยังไม่ได้สัมผัสรับรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เห็นความจริงอันนี้ก็จะมีแต่ความวุ่นวายใจไปกับเรื่องของร่างกายไปจนวันตายโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เสียได้ดี ไม่ได้อะไรกับร่างกายเลยแต่ต้องไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายโดยใช่เหตุถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะต้องทุกข์ไปไม่มีวันสิ้นสุดพ็หลังจากที่ร่างกายร่างนี้ตายไปแล้วใจก็ยังจะไปหาร่างกายอันใหม่ๆมมาอีกเพราะใจยังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้นั่นเอง เหมือนกับเวลาที่เรามีคนรับใช้ที่บ้านเขาลาออกจากงานไปหรือเขาตายไปเราก็ต้องไปหาคนรับใช้คนใหม่มาทำหน้าที่แทนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนรับใช้ของใจพอร่างกายตายไปแล้วใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มารับใช้คาสั่งต่ออีกเพราะใจไม่สามารถทำอะไร ตามความต้องการของใจได้โดยไม่มีร่างกายเพราะใจยังหลงคิดว่ายังต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะคือต้องมีการดูมีการฟังมีการลิ้มรสมีการสัมผัสกับสิ่งต่างๆอยู่จึงต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายอันเก่าตายไป ก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาพอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่เพราะต้องกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอันนี้คือความทุกข์ซ้ำซ้ำซากซากที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพาะไม่มีใครมาชี้แจงบอกใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจและความสุขที่ได้รับผ่านทางร่างกายนี้ สู้ความสุขที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้ความสุขที่มีอยู่ภายในใจถูกความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายปกปิดเอาไว้จึงทำให้ไม่มีความสุขภายในใจจึงต้องออกไปหาความสุขทางร่างกายแทนหาเท่าไหร่ก็ได้ความทุกข์แท้มาด้วยทุกครั้งไป จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรารู้ว่าเรามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจะผ่านทางร่างกายความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการทำใจให้ฉลาดไม่ให้หลงไปเกิดมีความอยาก ได้ความสุขผ่านทางร่างกายนี้ถ้าเราได้รับทราบความจริงอันนี้แล้วเราอยากจะได้พบกับความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงวิธีให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไป วิธีที่จะสร้างความเสื่อนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าต้องภาวนาภาวนานี้ก็มีอยู่สองขั้นตอนคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่เราจะภาวนาได้เราก็ต้องมีศีลก่อนเพราะเป็นเหมือนกับการขึ้นบันไดภาวนานี้เหมือนอยู่ชั้นที่สาม ก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นที่สาได้เราต้องขึ้นไปชั้นที่สองก่อนชั้นที่สองก็คือศีลเราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วก่อนที่เราจะรักษาศีลได้เราก็ต้องอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งก่อนก็คือทานถ้าเราไม่มีทานเราจะรักษาศีลไม่ได้ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราจะภาวนาไม่ได้นั่นเอง ถ้าเราภาวนาไม่ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขที่มีอยู่ในใจของเราได้เราก็ยังจะต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายไปไเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะสามารถสร้างศีลขึ้นมาได้สร้างทานขึ้นมาได้ก่อนทานนี้เป็นขั้นต้นของการปฏิบัติเป็นขั้นแรก คือเราต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณาไม่หวงในทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความต้องการของร่างกายทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนี้มีไว้เพื่อดูแลรักษาร่างกาย ที่เราจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขทางใจถ้าเรามีปัจจัยสี่คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคพอเพียงแล้วก็ถือว่าเรามีความจำเป็นครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ถ้าเรามีมากไปกว่านี้ก็อย่าเอาเก็บเอาไว้เพราะจะกลายเป็นเครื่องมัดเราให้ติดอยู่กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองถ้าเรายังติดอยู่กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เราก็จะไม่สามารถเข้าหาความสุขที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายได้ คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เองดังนั้นเวลาที่เรามีเงินเหลือแล้วเราจะเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่เม่รไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมี เราควรจะเอาเงินนี้มาทําบุญทําทานแทนเพรจะได้ตัดความติดอยู่กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองถ้าเราทําทานได้ใจของเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วเราก็จะมี จิตที่มีความเมตตากรุณามีจิตที่เป็นจาคะคือเสียสละแบ่งปันความสุขคือทรัพย์เงินทองที่เรามีมากเกินไปนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ก็จะทำให้เรามีความคิดที่ดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่ชอบคิดร้ายทำร้ายผู้อื่น พอเรามีจิตใจแบบนี้ใจบุญสุนทานการรักษาศีลก็จะเป็นเรื่องง่ายไปเพราะเราจะไม่ชอบทำบากนั่นเองการไม่ทำบาป ก, ก็คือการมีศีลเช่นการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตเวณหนไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาถ้าเรามีศีลได้เราก็จะ มีจิตใจมีกำลังที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนาได้มีเวลาเพราะว่าเราจะไม่ไปเสียเวลากับการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะไม่ต้องมีความวุ่นวายกับการทำบาปถ้าใจมีไม่มีศีลทาบาปใจนี้จะมีความวุ่นวาย จะยากต่อการเจริญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาในเบื้องต้นจะทำได้ยากแต่ถ้าใจมีศีลใจก็จะอยู่ในความสงบเย็นสบายก็จะทำให้การทำใจให้สงบลึกไปกว่านั้นง่ายขึ้นดังนั้นเบื้องต้นเราต้องหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าการให้ของเราไม่เป็นการทำให้เราเดือดร้อนถ้ามันทำให้เราเดือดร้อนก็ไม่ต้องทำเช่นถ้าเราไม่มีทรัพย์ที่เราจะสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปหาทรัพย์มาเพื่อมาช่วยเหลือผู้อื่นการทำทานนี้เป็นการ ใช้ทรัพย์ที่เรามีส่วนเกินให้มันหมกไปเพื่อจะได้ไม่เป็นเครื่องมือของตัณหาความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองพอเราไม่ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็จะมีเวลามาหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจได้นี่คือสิ่งที่เราทำเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เราต้องหมดไป กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายเช่นดูภาพยนตร์ร้องลำทำเพลงออกไปรับประทานอาหารกินเลี้ยงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเวลาของเราจะมาทำใจให้สงบเพื่อเราจะได้มีความสุขที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายเราก็จะไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเราทำทาน เงินที่เราจะไปเที่ยวก็จะไม่มีเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็จะไม่มีเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะไม่มีเมื่อเราไม่มีเราก็ต้องเข้าหาความสุขทางใจเราก็ต้องมาบำเพ็ญจิตตะภาวนามาทำใจให้สงบ ก, การบำเพ็ญเบื้องต้นเราต้องทำใจให้สงบ ก, ก่อน เพราะว่าถ้าใจไม่สงบเราจะไม่เห็นความจริงว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละส่วนกันถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันจะทำให้เรารู้ว่าเวลาที่ใจไม่มีร่างกายใจก็ยังอยู่ได้ใจยังมีความสุขได้อันนี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะต่อไปร่างกายของเราจะต้องแก่ลงไป จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องจะตายไปเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางร่างกายไม่รู้จักแยกใจออกจากร่างกายใจของเราจะทุกข์ทรมารอย่างมากเพราะจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เวลาที่แก่ชราจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไปไม่ได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันเวลาตายก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราสามารถเจริญสมถะภาว า, าได้ใจของเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเรารู้แล้วว่าเรามีความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็จะไม่วิตกกังวลกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ร่างกายจะแก่ลงไปเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเมื่อเรารู้ความจริงอันนี้แล้วเวลาเราออกจากความสงบออกมาเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ในความสงบได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงสาม้อยหสห้าวันเพราะว่า ใจยังมีภารัอยู่กับร่างกายยังต้องออกมาดูแลร่างกายต้องพาเข้าห้องน้ำต้องอาบน้ำอาบทา่าต้องหาอาหารให้รับประทานหาน้ำให้ดื่นเวลาออกมาก็จึงจำเป็นจะต้องเจริญวิปัสสนาภาวานาการเจริญวิปัสสนาภาวานานี้เราทำหลังจากที่เราออกจากความสงบแล้ว ขณะที่อยู่ในความสงบเราไม่ต้องเจริญวิปัสสนาเพราะไม่มีความจําเป็นความจําเป็นอยู่ที่ตอนออกมาตอนที่ใจกลับมารวมอยู่กับร่างกายตอนนั้นเราต้องคอยสอนใจให้รู้อยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเดือดรอนเพราะไม่ได้เกิดอะไรกับใจ อันนี้ต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยเพราะไม่ฉะนั้นพอออกมาพอใจกลับมาอยู่กับร่างกายก็จะลืมทันทีลืมไปคิดว่าตอนเองไม่ได้เป็นร่างกายพอเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายขึ้นมาก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเช่นถ้าไปมีความรู้สึกไม่สบายแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ ถ้าไม่มีวิปัสสนามาคอยเตือนใจว่าใจไม่ได้เป็นอะไรเป็นที่ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนน้องใจเป็นเหมือนพี่พี่พาน้องมาหาหมอน้องเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของน้องไปไม่ใช่เรื่องของพี่ อ, อันนี้ต้องคอยใช้วิปัสสนามาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าใจไม่ได้เป็นร่างกาย tão, ร่างกายไม่ได้เป็นใจ เวลาร่างกายป่วยเจ็บไข้เป็นโรคมะเร็งใจไม่ได้เป็นโรคมะเร็งไปด้วยกับร่างกายไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายเขาเองเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนั่นเองร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เวลารถยนต์เสียรถยนต์เขาไม่รู้ว่าเขาเสียมีแต่คนขับรถที่เสียแล้วก็ต้องมาปวดหัวกับการเสียของรถยนต์ไป เท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ว่ารถยนต์เป็นอย่างนี้เขาต้องเสียเราขับเข้ามาใช้เขามามากๆเขาก็ต้องเสียเสียเราก็ซ่อมได้เราจะต้องไปปวดหัวกับการเสียของรถยนต์ทาไมจันใดายใจก็เป็นอย่างนั้นใจเราอย่าไปวุ่นวายอย่าไปเดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายเพราะว่าใจไม่ได้เป็นร่างกาย นี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนาภาวานาคือการเตือนใจสอนใจให้รู้ความจริงรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องกลับคืนสู่สภาพนั้นต่อไปถ้าใจรู้ทันแล้วใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้พอปล่อยวางร่างกายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับ ร่างกายจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ร่างที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหามาเช่นจะไม่ทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะไม่ทุกข์กับคนที่เราอยู่ด้วยเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาญาติสนิทมิตรสายเพราะเรารู้ว่าร่างกายของเขาทุกคนก็เป็นเหมือนร่างกายของเรา ที่จะต้องแก่เจ็บตายไปแต่ตัวของเขาไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเวลาที่ร่างกายเขาตายเขาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเขาก็ไปต่อไปตามกำลังของบุญและบาปของเขาถ้าเขามีบุญถ้าเขามีความรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนเขาเขาก็จะไม่หล่นไปหาร่างกายอันใหม่ เขาก็ต้องเขาก็จะได้ไม่ต้องไปทุกกับร่างกายอันใหม่ถ้าเขายังหลงอยู่ยังหยุดความอยากที่จะได้ร่างกายอันใหม่ไม่ได้เขาก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปทุกขกับร่างกายอันใหม่ต่อไปแต่ตัวเขานี่ไม่มีวันตายเช่นตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวสามีตัวภรรยาตัวญาติสนิทมิตสหายนี้ไม่มีใครตายทั้งนั้น ตายแต่ร่างกายที่เขาไปได้มาเป็นสมบัติชั่วคราวพอเรารู้ความจริงเหล่านี้แล้วเราสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะดีหรือจะชั่วก็เป็นถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติดีอย่างไรในที่สุดมันก็ต้องจบร้ายอย่างไรชั่วอย่างไรในที่สุดมันก็ต้องจบ เพราะคนที่ทําความสร้างความดีสร้างความชั่วไม่ช้าก็แล้วก็ต้องตายกันไปหมดอยู่ดีนั่นเองนี่คือปัญญาที่จะทําให้พวกเรานี้เกิดความสงบสุขเกิดความเห็นที่ถูกต้องจะทําให้เราไม่สงสัยเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่ามีจริงหรือไม่ว่าใจของเราไม่ตาย เป็นความจริงหรือไม่ว่าร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเราคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, อยแล้วเรานำเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติตามที่ได้ทรงสอนรับรองได้ว่าเราก็จะได้รับอนิสงส์ที่ได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมคือจะทำให้เรา ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องกจาจัดความสงสัยต่างๆไปได้จะทำให้จิตใจเราผ่องใสหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุถึงภาพ น, นิพพานได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติ จึงขอฝากเรื่องของความเป็นสิริมงคลในวันธรรมสวณะนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไตรัยและบุญกุศล